สมมติเสอะคือไม่เกิดอีกพุทธเจ้าสอนโยชนนั้นโยดคิดเหมืนอนกับว่าสามไว้ใจดีเด้ดีใจทําเหมือนคนอ น, นั้นให้ทําทเป็นทานบอกวิธีให้ไว้ใจเป็นพระก็ได้โยชนนั้นธรมรมดาใจสะอาดก็ได้ว่าจิตตัวนจิตนิ่งจิตสงบเหมือนเขาเปรียบเทียบหลวงปู่วันก็สอนว่าอาคารต่างๆเขารู้มาบนโลสร้างเข า, เาได้เมื่อใดเมื่อกี้นี้สวยงามมันแรกมันเสร็จครบก็ได้เงินอันนี้เว่าเราสําเร็จ เบอร์นูเล่เว้นโทษหฮาก็จะยได้เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มาเนื้อพุทโธพุทโธก็เป็นเทวดาขึ้นมาแล้วถ้าเราหยุดได้สมเร็จไม่เกิดหมดเรื่องเป็นพระได้บอกวิธีให้ให้ทําเป็นฐานมาหาเต๋อรักษาได้รักษาใจเรต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวนองว น, อวนหัดเว้นโทษหฮาอันเธอโก่อนี่ยคือเรื่องทุกเรื่องอยากไม่คิดบปนี่มาถานความคิดเดี๋ยวเราโม้รู้ยายเราเนี่ยมาคิดไปเอง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 หมดเรื่องพูดภาษาพรทธอยุ่ได้พุทโธเราได้น่ะว่าเราก็ได้วหวใหญ่เรามาอยู่มาจากไหนใหญ่บริสไลบางคนเราใจบริสาลมาจากสวรรค์อก็ยังดีมาจากคนมาจากสัตว์มาเป็นคนโอกคอันนี้ไปไหนเป็นนรก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 <pouch. S 1> อย่างน้อยกาอย่าอย่าอย่าไปคิดว่าไม่ร่างกายอย่างน้อยอยู่กับพุธพุธพุธเพื่อเพื่อนเพื่อไม่คิดว่าเจ็บเพ่ปวดเราเคยพิคิดเป็นร่างกายมันใช่เราบอกวิธีร่างกาย่พลังกระสอนถูกอยู่เกิดมาต้องเรียนหนังสือทํางานเอาเงินมารักษามันเงินนี่มาได้เก็บเหมือนกันมาแต่ับมาต้องทํางานเอาอะไรมารักษามานนี้พวกเราสลัดเอาร่างกายมาเอาบุญจากร่างกายได้เอาเงนจากร่างกายขาดทุนนี่ ขาทุนออกอยินนี่ไปไหนประจุในรบพุ่นเอาแต่แล้วอย่างน้อ ง, งก็แกลโทษนะไม่ไปก็สรักษาปรินายก็รมไปพวงไปเกล่าบุญขึ้นมาเป็นไหนไม่ใช่โกด้วยพุโทโมันตเครียดเนื้อพุโทโธพุโทโธกะเป็นเจวดาขึ้นมาถ้าเราหยุดไนดะ้บุญเป็นไม่ทุกข์ไม่ยากันน้นให้ทําเป็นฐานสถาการให้ทํางพวงตัวนี้ไอ้บอกว่าที่ไม่ใช่แรื่องหนังสือไม่ใช่ให้ทำอะไรให้ความคิดบอกวิธีให้ไปรักษาอย่าวันนี้ยากรักษาใจผมต้อ ต้องขอต้องอ้อนต้งวนหัดเว้นโทษฮะเอสซะก่อนแบบนี้ก่อนจะคิดถึ่างไรไปคิดไปะะ่เออมันมนักพุโทโธขึ้นมาเป็นบุญสะก่อนได้พุทโธสะก่อนถ้าไม่ได้ดพิจารณาหลายครั้งหลายคิดนักพุโทโธบปอยู่ไม่ต่างว่าเจ็บว่าปวดอดเอาฝึกกาลังใจสู้สะก่อนเรายังล้าไม่ได้เด้เบื น, นักมวยที่กีฬาเขาก็าออกกําลังกายไปเนี่ยกำลังกา ย, กายออกกําลังใจเอ่อาเพราะกำลังกายหนักเขาทุกวันนี่ไม่ใช่ของง่ายเด้แบบนี้เราหัดไป วันนี้เตรียมตัววันไปไหนอย่าไ kind of mm. ปคิดว่าเป็นคนอย่างด้อยเนี bridge, fruit, ่ยพุธศพุธศพุธศพุธเพลินอใจไว้อยู่ตรงนั้นเป็นเทวดารี่ว่านี้ยุดได้บุญเต็มหยุดเหลือแต่รูปพุธโธนั้นว่าใจดีว่าใจดีก็ได้ใจบริสุทธิ์ก็ได้ใจเป็นพระก็ได้บุญเต็มไเง บุนมันเต็มทรัพย์สมบัติก็เต็มพกวิดีไงอนนบเหมือนพวกเราเงินทำงา น, งานเงินเต็มกระเป๋าก็สะดวกสบายอ น, นีรแัดรักษาวัานนี้เราจะไปชุกปยากาับมันร่างกายก็เหมือนกันเด้เราจะไปคิดว่าเจมัปวดเราคิดขึ้นมาเองเลยวันนี้จะไปคิด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 อยู่ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาแล้วผิดธรรมดาแล้วมายุ่บ่ดูจากนั้นธรรมดาเป็นมันไม่อยู่กับกรูทำไมครูปด้ชุกได้ทุกในเราคิดขึ้นมาเองบ่เนี้ลองดูบ่มันจะโกรธไม่โกรธมันจะเขียนไม่เคร้าเรายุดเป็นมันจะคิดไปเจ็บไปวดไปแบบแบบในคิดอะไรเรานึกพุทโธพุทโธเพื่อไม่คิดว่ามีร่างกายบ่าวิธีให้เราไปเชื่อฝลั่งฝลังมันบนใจหาความสุขทางร่างกายมันไม่ได้เลยบ่จะตายบ่โน่อยู่บ้าน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 เกิดเพลินทารยุดนิ่งบุญเต็มว่ากำลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้ว่าฤกษ์ก็ได้พูดภาษาบรนเหล่านั่นแหะคือความสุขใจอ่บางคนแยากได้บุญบุญบนบบรูิจาคดิสมมุติว่าบุญก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้ว่าฤกษ์ก็ได้เออที่คิดไปทั้งทุกข์เพาบาปบาวิธีให้ไปรักษาเลยเท่ากันสาวใหญ่ละครมาให้รักษา สังนั้นไม่ต้องซื่อต้องขอต้องวอนต้องวอนขอสระสารให้เว้นโทษหาอยากเป็นมนุษย์โดสยสมบูรณ์มันไปจะไปฆ่าสารละทับเป็นก็มันก็หไปกินเหล้าแล้วก็เป็นมนุษย์โดมสมบูรณ์มนุษย์ก็มาเจ็บมาปวดมาเมาื่อยม่หิวเนี่ยแต่มันเป็นมาแบบนี้หัดนึกพุทธโธเลยอจะไปไหนนึกพุทโธพุทธพุทธโทธไม่เว้นไม่ไภใจเป็นเทวดาได้ไม่ใช่เทวดามารักษาดางนั้นหัดตัว นายโดยปฏอาบัวิธีนั่นวันนี้ให้ทําเป็นฐานหยุดไม่คิดบันี้พูดภาษาง่ายๆว่าจิตนิ่งจิตชุ่มจิตร้อนก็ได้พระพุทธเจ้าว่าสำลักใจสะอาดผ่งใสเขาเปรียบเพียบสำลักร่างกายมีน้ํามิสบู่เพราะเช็ดตัวภายนอกส่วนภายในสกปรกนัระดับสำลับตอนเราเป็นเด็กนอนขี้นอนเดียวสำลับไม่เป็นเขาเปรียบเทียบ เดีไม่ใช่แบบนั้นใจกับว่าสินสมาธิปัญญาสติปัญญาวันนี้เราแววนโต้ก็เพื่อจะสําระใจให้ยึกเหลือตัลูใหญ่ซะคนไม่ปัญญาบ่ได้เอาดีเหมือนพวกเรานี่มาทํางานเอาเงินได้เงินเปลี่ยนจาก เ, เงินไปทําไรบ่รู้เราก็รู้จักไปรักษาร่างกายอันนี้มารักษาใจเป็นบุญคือรักษาใจให้เป็นบุ ญ, ค, บญ ค, คือความสุขมีใจได้เป็นอนาศัยก็อยู่เลยรู้จักไหมไหวใจก็ได้ว่าเราก็ได้มันเป็นนา ม, มาทําบ่มีตัวโตนใครวัดไม่ได้พรั่งไม่จึง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 ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นหลวอปูสป่สัพพสนอย่างน้อยก็คู่ว่าอยู่กับมึงอย่างน้อยอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็เพลินเพลินเดิไปไม่อยู่ที่ไห้พุทโธก็ไเอาเทวดาก็ไม่เอายึดในคิดได้ไม่เกิดบมดเรื่องเอาละสาบอกวิธีให้ในนั้นเราให้ทําเป็นสารหัดเอาเลยไม่ใครที่มีชื่อไม่ได้เตรียมตัวไว้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 ถูกจังใจเพียงเลกพุโธพุโธก็ะเพิดเพลินเพนยึดเหยื่อตู้นะจิตสงบเป็นสุขอย่างยิ่งว่าจิตสงบก็ได้ว่าหยุดิดก็ได้วใจรวมก็ได้มาเปรียบเทียบรวมเข้ามาเหมือนอาคามเด้นไปมเมื่อกี้นอ่สร้างสละเขาอะไรไปิงหามารวมมันแล้วมันจะ เ, เขาก็ได้เงินเนี่ยเขาทําเป็นอันนี้ใจเราก็รวมมา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 เไม่เกิดอีกถ้าเราเว้นโทษห้ามาจะไม่จะอยู่ในความเจ็บความปวดเกิดบังเกิดมาเป็นคนอีกมาทุกข์อีกแล้วเราไปอยู่ในท้องแม่ลองดูบุญนะเพราะว่าตกนรกสิบเดือนบุญคิดหรือลองดูอยู่ในท้องแม่ออกไปใหญ่ในท้องแม่ทุกขนาดเล้เกิดบังเป็นคนไม่ใช่ของง่ายถ้าไม่มีใครเลี้ยงเอาไปตกนรกสิบเดือนบุญได้เ อ, อิดมาออไม่ใช่ของง่ายเลยพระพุทธเจ้ายึงหาที่ไม่เกรธสมมุติในพานทัา น, นพบท่านเจอสอนมาไม่เกิดก็ทำงานก็หยุดคิด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 อันตรายใจต้องรู้บ่รู้แล้วโกรธแล้เครียดมันไม่ดีเพราะเรานอกภูตโพื่อูเพลินพระเรายึดคิดไม่ใช่หลับได้ตัวหลับโง่เลยตัวเรานอนหลับใจไม่นอนขอใจบ่มีตัวมีตนเข้อไปพบหน่อยพวบใหญ่ตัวเรานอนหลับไปเปิดไปหาเกิดแบนเทียดูโรคพระทิศไปเชิญประคารตื่นขึ้นมารีบเอามาบางทีเอามาไม่ได้คนมันไปหาเกิดได้ใหญ่เพิ่นในสํารวมระบังขบายญาติปัจจุบันนาเอาทั้งวันทั้งคืนกลัวจะไปเกิดไม่ใช่ของง่ายได้ตัวนี่ อ่าอะไกเนีพเรามาเป็นคนแก้ไขได้ไปถ้าไปเป็นสัตว์ทำไงเรารลก้ยงลากไงไม่ใช่ของเล่นว่าใช่สร่างมันได้มาทุกเรยบอกวิธีหัรักษาบอกวิธีให้รักษาทุกคนไม่มีตัวไปไม่มีใครสอนเออพราะเสื้อฝลั่งเร่ไม่มีใครบวช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 อี<ห>่บอกวิธีในร่างกายไม่ยืมเขาอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นอย่างดีมาอยู่ในคนไปอยู่ในสัตว์เดี่ยงลำบากไปเป็นเป็ดอยากกินอยากนั่งอยากนอนกินแล้วนั่งแลนอนบนนูไปอยู่โลกพระทิศไปยันใจไปอยู่เดินมันอยู่ได้ทุกเกิดเดินเมืองเพวกเราเขาเป็นนั่งขดอยู่ในท้องแม่เชิเดินบนนู้ตกนรกสิบเดือนเพื่อขาจํำใจแต่ตั้งเหม็นตั้งครับตั้งแกบได้ยังได้ออกมาบนนูบางคนก็ออกมาไม่ได้ ไม่ใช้ vain, ของง่ายให้เกิดเป็นคนก็ทุกข์ไงพระพุทธเจ้าจริงอย่ไม่เกิดอย่าไปทุกข์อะไรบัดบอกวิธีให้ว่บัดบอกวิธีให้เรื่อยไปไหนอย่าไปห่วงมันบัดบอกวิธีให้ต่างคนต่างรักษาง่ายๆบอกวิธีรัดๆควาสำคัญจะเป็นมนุษย์เว้นโทษห้าเสี้ยวใส่ทานสิ้งแจ้งห้าข้อนี่จะไปฆ่าสารรักษาพินในการไปหัวกินย่างไม่เอาเด็ดขาดเกิจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์วันนี้ไปไหงอย่าไปคิดแบบเป็นคนเพียงเนี้ยพุทธพุทธพุทธเพื่อเพลิน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 เราลุกไม่ได้นอนอยู่กับภาวนาไาอยังนอนนึกปุบปุบปุบปุ๊เิดเพลินถ้าหยุดได้น่ะแลปู่พันธุไปเยี่ยมพระป่วยเอาภาวนาใจสงบมันหายนะถ้าไม่หอบไายแล้วสงบก็หยุดอีเดียวแหละพูดภาษาบเราอ่ะสงบก็ได้ ใจญ่รวมก็ได้ใจสาดก็ได้เขาเปียยๆมันไม่เห็นก็หยุดเหลือต่ลูกนั่นเราจะไดี้พอหยุดได้ปูพุทธูเราอยู่ตรงนี้รักษาให้ดีวันนี้บอกวิธีง่ายๆบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญ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 เอาบุญคือความสุขเถอะเที่ยงโยคกับพุทธบอ ก, นบอกันบอกพวกเรานี่มาทำงานทำงานเองงาเงินเ็ ได้เงินได้ควงแล้วไปทํำอะไรเป็นอาหารเสี่ยวชาที่อยู่อาศัยยามือโลกเดี๋ยนี้ยาอันผ่านะให้ความสะดวกร่างกายเงินอะบุญคือความสุขใจวันนี้บอกบอกวิธีง่ายง่บอกวิธีรักษาว่าภาษาเราให้บางบอกวิธีทานเส้นเชี่ยวหวานเนี่เราเคยถุกเคยยากามาเมื่อคีอ้เช้าในทานอาหารการกินในความเพลิดเพลินใจดีใจวันนี้ทานเส้นเชียวเราเคยห้าข้อไม่เอาไม่ไปข้าวสารักทรัพย์็นกรรไปโหไปกินล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 ก็นอนชอบนี่หัวในวัดไม่ได้ก่อสร้างอะไรหรอมีแต่พัฒนามาใช้ข้าน้าก็ไฟพัฒนาไม่หยุดเลยเอะไรเก้แก่เจ้าทำอยู่ทุกวันแก้ไขไปเรื่อยล่ะอ้าน้ำก็ไว้พัฒนาไปก็จะเล่าในหลวงรัชกาลที่เก้าสนทนาธรกันลงปูกฟันนะครับ <c oughs> เอลวง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 ท่านก็เลยไปโทษกระถิ่นพอโทษกระถินเสร็จเพื่นก็ระกาบเรียนหวูฟั่นว่า ผมมาทอดกระถินได้ทราบว่าอยากเจ้าคุณศาสนาโสพลวัดประณนแล้วก็เป็นศาสนาพนว่าท่านอาจารย์ทำมีคุณธรรมสูงมานัสกสการณ์ทอดกระถินด้วยแต่นั่นเพื่อกระกทำว่าทำไงจะให้ประชาชนมีความสามัคคีกันเรือว่าไหนคนต่างคนต่างรักษาโดยเฉพาะรักษาใีหน้ายอย่างวัดปอนรับอกแต่ก่อนหนึ่งห้าไเออแต่ก่อนน่ะ อาารย์เจ้าขวัตหังอย่ารย์แม่ก็เลยยังถามหลาย่เรือ่องไม่พอก็เลยมามาวัดบวรวันบวรวันนั้นอาจารย์มาก็มาด้วยเดินหนึ่ง 1, ท่านอาจารย์จะไปเทีย่ยวสิริยาลาเลยวันนี้จะคุณสานะเสียพรณุรธ ม, มากว่ า, าบบท่านอาจารย์จะกลับทันไห ม, ไมานายหลวงจะพาในวันเข้า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 ท่านมาวัดบวนมังคายหลวงปู่พันมาวัดที่จาใีโอ้ไปในรถกวัดได้ท่านก็ไปหัดทม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 ไม่ได้อยากได้สย่งนี้จะให้ประชาชนมีความสมัครใให้คนเน่ะถ้าไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเรียนถามยังไงจะอยาะให้ว่าเมืองจะมาเกยกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพื่อกันได้หลักมาจากโน้นจะได้รวงกัน ไม่ล่ะหนึ่งห้าไปเดตั้งแต่หนึ่งห้าไม่ได้น er านเด้ตะกอนเพิ่็ไปได้โนใจอย่างนี้เพิ่อเพิ่งมีประสาทตะกอนเพิ่อกับเป็นศาสนสุสพลเพิ่นพ่อแม่หลวงเข้าศาสนาุสพลเพิ่งกับปฏิบัติบินทบาทสันโดเดียวเด้ สิดตอมาอิ่งนีเป็นชมเดียบพญานาสังวรแสไดไปวัดทาขามพูดโ้ยนะไปเาไป้ไปิดต่อทขามลงมาพักท่วัดเป่ารงพอโอ้ขามนีน่ก็เป็นโรคเกใจอยู่ไปได้มินบาทเพิ่นมินทบาทลงรูขึ้นเขาชมเดียบพญานาสัยวรเพิ่นโดยได้เป็นนรจิตอยายันพันเดี๋ยวก่นเพิ่นไปสานาสุพน์อะไรเวก่อ น, น, น, น, อนต่อมากา็ อ่าสมเด็จพระพุทธพุทธะมาจะอันนี้อันนี้สมเด็จนี่มาพักอยู่วัดเสนานในคมนี่ตอน้ไดบ่ายมหามภรนี่เห็นนั่งรถเมย์ไปไปพังเทสเพลิ่งลงจากซ อ, อยสี่เขเดินเข้าไปวัดๆๆๆๆๆ หลวงปู่ว่ามาหาองค์นี้แปลกอยู่นะนั่นแหละี่นัเป็นสมเด็จพระสกานี่ความเทศอาจารย์พมด้วยนะ่นะวอเจนเดดพรเป็นมหาพรนั่งรถมเรมไปจากกราดาบฟิทปุ่ลงพวส์เดินเข้าไปวัดเชนาเคยเห็นไหมหลวงปู่เรามาหาองค์นี้แปลกเนละปมามาทีมาบอกพ่าโยมตัวท่านเดินกลับขอไปพราะอะไรก็ใสไปส่งท่านจจริงนี่เป็นสมเด็จพรจ้ว่าเป็นลูกศิษยนนะ์อาญารหละ แด้ไปได้ไปชมกันมขาเยพยายามเขาว่าออกคู่ดมเดยนันะเพิ่งเกงเลยหลวงปู่พรอนี่ยบนอะไร้างหลนที่หล่นว่งาาไปรจอนพุนผินเป็นเบอร์เท่าไหรเป็นร้อยเอกอยู่โคราช ไม่น่าจะได้เป็นตาเปียกๆไปพัฒนาเผือ่อว่าลูกจิตดวงปูพันเพื่อเพื่อนกระส่วนให้รักษาใจมันดีพวกไปถามมือกี้ใจดีแบบไหนใ <c> จ <oughs> ด, ดีก็หยุดไม่คิดนะแตแบบกเหมือนกันให้เพื่อนสอนคนนั้นมากประสบกอยากได้มากได้เท่านี้กู้ยอยากน้อยได้เพิมมือไม่อยากอะไรยิ่งด้วยเหมืน ความอยากมันเป็นไฟเหมือนไฟกำลังลุกทิ้งอะไรเข้าไปไม่รนะู้ความไม่อยากเหมือนก็ดูผลคือช่องการให้ทำเมามันมาก <c oughs> ก็สงสัย้ลยทำบบก็บาที่บ้านก็เชื่อของท่านไม่อยากอะไรยิง่งนะแล้วแคนเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่ามีก็ทุกข์เพราะมีบ่าหนะ่คนมาจากมี ไม่มีก็ทุกอย่างหนึ่งมีก็ทุกอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาใช่ไหมน <laughs> ี่แฝงฝืนหนึ่งก็เลย พ, พูดแปลงมูอเลยก็าถูกความทานมีก็ทุกพอมี <c oughs>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 เยว่าชสมาเซยไม่ใช่คงง่ายเนีทำเหมือนคนง้อก็ควรจะทั้งทางที่ไม่โหอะไรเลยไม่โกนสามวันคนร่ำรวยเท่าเทียไปหมดอ่าไปไหนไปไหนผมเชิญจอดร่ที่ไหนตามทางคนไปทบุญํามทางเลยอะไรว่าคนมีบุญพูดภาษาบ้านเานทั่นนันแหละเด็จพรยาณสมองกอไเป็นลุกสิธย์แล้วก็ชจคุณพระพุทธพจท์บะหวงวังเจ้กนมหาอ่าสนานกัวัณนรนาอันนี้ ถ้จะเป็นมหาในใบฟันเทปนี่ถือว่าเป็นลูกสิษย์อาจารย์ฟันไม่เป็นมนุษย์เขาจับเป็นเลยปั๊บเนี่นี่เป็นความเทศเสพนุโทรเข้าใจว่าพูกคนหยิงคนอะไรไปว่าพูดโทหลวงปู่ฟันเย็นเลยพูดโธรหายหมดแบบไปเห็นแบบไหนคนมีบุญคนมีฤทธิ์ทำอะไรมาได้ไมีฤทธิ์บุญซะก่ขขอนถ้าเหมือนคนโง่อยังมีฤทธิ์มีบุญก็หยุดไม่คิดเด้อบุญมันเต็ม ด้วยจากไหมหลวงปู่กันเสื้อเรื่องหลวงปู่ฟังกันนะเคยใจดีก็ดีหมดร่างกายก็ดีการงานก็ดีไปไหนไม่วัดประหยัดมึงเขามาให้ดฉันฉันก็น้อยเอาอะไพูดอะไรจะมาสอนยจะพูดกันคุยใส่ของเฉยๆเดียวอยไม่สอนอะไหลวงปู่บวชตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้เกิดดูจังไหมพระเจ้าองค์ินเนี่ยหลวงปู่วันที่บวชหลวงปู่บวชวันที่แปดกรกฎาเก้าห้าท่านเกิดยี่สิบแปด เหมือนไม่ใช่พกเก่งอะไรคุยไลยถ้<ร>าเหมนคนโง่คือนั่นแล้วไ ป, กวไปกวโกนโกเขาไม่มีโรคบ่ะดีไปไีแล้วเนี่ยอเมริกาเขาโกรธเป็นโัวธ้วนเหมือนนักกีฬาคนะัะก็ได้ดีเคยอยู่มาเสริบอกว้ดีไหนหลูกฟังให้ใจดีร่างกาก็ดีการงานก็ดีก็าต่เฉพาใจดีไม่ไหนเห้กับคนโง่หยุดไม่คิดอย่างใจดีด้อยเนื้อจะไม่ใจดี ยุดไม่คิดอะไรกับเด็รู้นะใจเป็นภาคก็ได้เรืรู้อย่างเด้อแล้วก็เด้อเครียดมันไม่ดีถ้าว่าเจ็บปวดมันมันด่า ก, ก็ได้เมื่มาเขาคุยกับกูทําไมกูไม่ได้เก็บเป็นปวดเราคิดไม่เพนเลยบันี้กเพนโอธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเด้อจะบอกวิธีคิดสอนโยผมอย่าไปทุกข์ไปยากกับมันรักกายอยู่รู้จากมันนี่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 อย่าไม่เป็นเปลเปียนผีใหญ่ใจใจางง่ายๆข้อสำคัญให้เว้นโทษห้าสิบกว่านี่้าข้ออยากจะเป็นมนุษย์ุดมสมบูรณ์ไม yep. ่ใช่ศิลยด้เดี่ยวไปไหนนึกพุทโธพุทโธเพ่เพินไปหัดหยุดดวงดูบัดเนี่ยหยุดไม่คิดไม่ใช่หลับเลยหัดหยุดดวงดู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 อ่อาเราจะบอกวิทีในหน <c oughs> ัดเอาบ่อมีสอนเนี่ยเมื่อร่างกายเราบรรลุกินก็ต้องหัดพูดก็ต้องหัดใช่ไหมอันนี้พ่อแม่ไม่สอนใช่ไหมอ่าแม่ไม่ได้ให้คิดเลยช่วยได้แต่คนไม่รู้จักเนีว่าวิธีเราปูกเราพูกกับยายเราปลูกฟันสอนอันสอนเป็นหมดมเราปูกไปแ่างเราท่านพูดเราเป็นพระนี่อ่านีด้หมดใครไปเห็นยศกรสูงไปเลย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 เดี๋ยวมันไม่ม <inaudible enders> <laughs> ีใครผูกหวัดไปหลายๆนลองผูกให้ความรู้คจะลวงผูกฟันหลายเลยแต่นหลายกๆคนรองมากก็ลองผูกเทสลองวัดก็บอกว่าใจเป็นเครื่องผูกไอ้นุ่งผู้โทผูกมันไวซะกอนไอ้ยังผูกมันไปอยู่เอาพู้โธผูกใจไว้แล้วก็แหวนสติลึกเตัอไ้มันใช่เป็นแลไวมัน่ต้องผูกโยกปั๊บเลยมันเป็น อบอกวิธีในหลวงปู่เทพใช้ชั้นละลัสนี่ต่อมาต่อมาว่าทำใหญ่เป็นกลางคนทุกข์ใครไม่รู้จักแบลไปถามนยเจียงแบบหลวงปู่นอนหลับน้อยถามอร่อยเข้าสมาธิอยู่สมาธิคกเดียวก็หยุดคิดอย่างนะ้หลวงปู่เทพก็ได้พิ่งนายจะยยุดเจะเก้าจิตเรามรณนาธรรมเสี่ทำขามรณนนแ้บโอ้โหมันเป็นอย่งนอนอ่ะหัจบอกวิธีให้คนอุปรู้จัก แต่เสียท่าพลังมันมีใจบเดี๋ยวนี้พลังเขาก็มีมีอยู่สมัยใหม่เขาบวดก็มีเพราะเขาทุกเด้พลังนี้ทุกมาเป็นผู้หญิงกับไปสู่โพธเกินบียไปก็ได้นขนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็หาอยู่ทุกเราคิดกันมาเองหยดบาเอาอะไยบัต